นอกจากนี้ในหมู่หนึ่งหมู่หนึ่งเขาก็ยังมีธรรมเนียมสำหรับประพฤติอีกเช่นในสกุลผู้ดีเขาก็มีธรรมเนียมสำหรับคนในสกุลนั้นในหมู่พิสุก็จำต้องมีกฎหมายและคำนบนธรรมเนียมสำหรับป้องกันความเสียหายและชักจูงให้ประพฤติดีงามเหมือนกันพระศาสดา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 ตั้งพระราชบัญญัติอีกฝ่ายหนึ่งทรงแต่งตั้งคำนอธรรมเนียมซึ่งเรียกว่าอภิสมาจารเพื่อชักนําความประพฤติของภิกษุสงฆ์ให้ดีงามดุดบิดาผู้เป็นใหญ่ในสกุลฝึกป ร, รือบุตรของตนในคำนอธรรมเนียมของสกุลฉะนั้นเพื่อบัญญัติและอภิสมาจารย์ทั้งสองนี้รวมเรียกว่าพระวินยัยพระวินัยนี้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 จะเป็นหมู่ภิษุที่เลวทรามไม่เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาและเลื่อมใสถ้าต่างรูปประพฤติตามพระวินัยอยู่แล้วจะเป็นหมู่ภิษุที่ดีนำให้เกิดศรัทธาเลื่อมใสเหมือนดอกไม้ต่างพันเก็บคละกันมาในภาชนะแม้บางดอกจะมีสีสันฐานอันงามมีกลิ่นหอมพระโทษที่คละกัน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 ค่อยมีมาโดยลําดับตามเหตุอันเกิดขึ้นซึ่งเรียกว่านิทานบ้างประกาบ้างเมื่อใดความเสียหายเกิดขึ้นเพราะภิกษุรูปใดรูปหนึ่งทำอย่างใดอย่างหนึ่งลงเมื่อนั้นพระองค์จึงทรงบัญญัติสิขาบทห้ามความประพฤติเช่นนั้นเป็นอย่างเป็นอย่างไปเช่นพัธนยะถือเอาพระวาจาของพระเจ้าพิมพิสาร ซึ่งเปล่งตามพระราชประเพณีเมื่อครั้งราชาพิเศษว่ายญ้าไม้เล่นน้ำเราให้แก่พวกสมณพราหมหลังนี้เป็นเลิศถือไม้หลวงไปทำกุดีโดยอ้างว่าได้รับพระราชทานเมื่อเกิดเหตุนี้ขึ้นจึงทรงตั้งพระบัญญัติห้ามอธินนาทานแม้อภิสมาจารย์ก็ทรงวางไว้โดยในนั้น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 จึงทรงบัญญัติซ้ำเติมความข้อนั้นเข้าด้วยหรือตึงเกินไปเช่นนี้ทรงบัญญัติซ้ำผ่อนให้เบาลงเช่นทรงตั้งพระบัญญัติห้ามไม่ให้อวดอุตริมนุสธรรมอันไม่มีจริงข้อนี้กินความกว้างไปถึงการอวดด้วยสำคัญว่าได้บรรลุแต่เป็นคุณที่ไม่มีจริงจึงทรงบัญญัติซ้ำยกผู้ฟู ด, ด้วยสาคัญผิด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 รวมมูลบัญญัติและอนุบัญญัติเข้าด้วยกันเรียกว่าสิขาบทสิขาบทอันหนึ่งมีหลายอนุบัญญัติก็มีเช่นสิขาบทปรารบคณะโพชนะคือรับนิมนต์ออกชื่อของกิ่นแล้วรวมกันฉันเป็นทรงผ่อนให้ตามคราวในเวลาเจ็บในฤดูจีวรในเวลาทำจีวรในเวลาเดินทางบกทางเรือในคราวอัตคัด ในคราวนิมน์ของพวกสมณะด้วยกันเมื่อเหตุเกิดขึ้นแล้วจะทรงตั้งพระบัญญัติขึ้นตรัสสั่งให้ประชุมสงฆ์ตรัสถามภิกษุผู้ก่อเหตุให้ทูลรับแล้วทรงชี้โทษแห่งการประพฤตินั้นและอนิสงฆ์แห่งความสมรวมแล้วจึงทรงตั้งพระบัญญัติห้ามไม่ให้ภิกษุทำอย่างนั้นอีกต่อไปวางโทษคือปรับอาบัติไว้หนักบ้างเบาบ้าง อาบัตกิริยาที่ล่วงและเมื่อพระบัญญัตินั้นและมีโทษเหนือตนอยู่ชื่อว่าอาบัตแปลว่าความต้องอาบัตนั้นกล่าวโดยโทษมีสามสถานคืออย่างหนักอย่างผู้ต้องให้ขาดจากความเป็นภิกษุหนึ่งอย่างกลางอย่างผู้ต้องให้อยู่กรรมคือประพฤติวัดอย่างหนึ่งเพื่อทรมานตนหนึ่งอย่างเบา ยังผู้ต้องให้ประจานตนต่อหน้าภิกษุด้วยกัน1เมื่อได้ทำอย่งนี้จึงจะผลโทษนั้นกล่าวอีกอย่างหนึ่งมีสองสถานอาบัตที่แก้ไขไม่ได้เรียกอเตกิจฉาหนึ่งซึ่งได้แก่อาบัตมีโทษอย่างหนักอาบัตที่ยังแก้ไขได้เรียกว่าสเตกิจฉาหนึ่งซึ่งได้แก่อาบัตอย่างกลางและอย่างเบา อันหนึ่งอาบัตินั้นว่าโดยชื่อมีเจ็ดอย่างปาราชิกหนึ่งมีโทษอย่างหนักสังฆาทิเศษหนึ่งมีโทษอย่างกลางทุลใจหนึ่งปาจิตติยะหนึ่งปาติเทสนิยะหนึ่งทุกฏหนึ่งทุพภาสิทธิ์หนึ่งทั้ง5นี้มีโทษอย่างเบาอาบัตินี้ไม่เกิดทางใจอย่างเดียว คือเป็นแต่เพียงนึกว่าจะทำเท่านั้นยังไม่ชื่อว่าเป็นอันล่วงศิกาบทและชื่อว่ายังไม่เป็นอันพยายามเพื่อจะล่วงสิกาบทอาบัตินั้นย่อมเกิดทางกายบ้างทางวาจาบ้างมีใจเข้าประกอบบ้างได้แก่ทำหรือพูดด้วยมีเจตนาหามีใจเข้าประกอบด้วยไม่บ้างได้แก่ ทำหรือพูดด้วยไม่ได้ตั้งใจอาบัตที่เกิดตามลำพังกายนั้นเช่นอาบัตป้าจิตติยะเพราะดื่มน้ำเมาแม้ไม่มีความตั้งใจเพราะไม่รู้ว่าเป็นน้ำเมาดื่มเข้าไปก็ต้องอาบัตอาบัตเกิดโดยลำพังวาจานั้นเช่นอาบัตป้าจิตติยะเพราะสอนธรรมแก่อุภสมบทให้ว่าพร้อมกัน แม้จะระวังอยู่แต่พลาดพลั้งว่าพร้อมกันเข้าก็เป็นอันต้องอาบัตอาบัตเกิดโดยทางกายกับจิตนั้นเช่นอาบัตประชิกเพราะทำจรก ร, รมด้วยตนเองอาบัตเกิดทางวาจากับจิตนั้นเช่นอาบัตประชิกเพราะสั่งให้เขาทำจรกก ร, รมด้วยวาจาโดยในนี้ ได้สมุทฐานคือทางที่เกิดอาบัตโดยตรง4คือลำพังกาย1นึ่ลำพังวาจาหนึ่งกายกับจิตหนึ่งวาจากับจิต1แต่ในบาลีที่ท่านถือเอาอีก2คือกายกับวาจาควบกันเข้าไป1นึ่กายกับวาจานั้นเติมจิตเข้าไปด้วย1จึงรวมเป็นสมุทฐาน6อธิบายความตามบาลีนั้น กายกับวาจานั้นเป็นสมุดฐานของอาบัตอันเกิดทางกายก็ได้ทางวาจาก็ได้ซึ่งยังหาอุทาหรณ์ได้ไม่เหมาะจึงไม่ปรารถนาจะแสดงไว้ในที่นี้กายกับวาจาเติมจิตนั้นเป็นสมุดฐานแห่งอาบัตอันเกิดทางกายกับจิตก็ได้ทางวาจากับจิตก็ได้เช่นอาบัตปาราชิกเพราะทำจรกก ร, รมดังแสดงมาแล้ว เมื่อเพ่งความเช่นนี้ตัวอย่างแห่งอาบัตเกิดทางกายกับจิตพึงเห็นอาบัตปาราชิกพระเศวเมถุนตัวอย่างแห่งอาบัตเกิดทางวาจากับจิตพึงเห็นในอาบัตทุกกฎเพราะแสดงธรรมแก่คนมีอาการไม่เคารพแต่ไม่ใช่คนเจ็บไข้ที่จำเป็นจะต้องทำดังนั้นในอัถกถาแสดงสมุทฐานเห็งอาบัตมากออกไปเป็นสบสาม ด้วยนับแยกอาบัติซึ่งเกิดแต่สมุดฐานเดียวบ้างหลายสมุดฐานบ้างข้าพเจ้าเห็นฟั่นเฟือเกินความต้องการจะรู้จึงงดเสียไม่กล่าวไว้ในที่นี้ผู้ต้องการจะรู้ละเอียดจงดูในปุพสิขาวว น, นาของท่านพระอมราพิรคิจอมอเกิดนั้นเถิดเพ่งเอาเจตนาเป็นที่ตั้ง อาบัตจัดเป็นสองพวกคือที่เกิดขึ้นโดยสมุดฐานมีเจตนาด้วยเรียกสจิตกะที่เกิดขึ้นโดยสมุดฐานแม้ไม่มีเจตนาเรียกอจิตกะนี้เป็นกระทู้สำคัญที่ควรใส่ใจสำหรับรู้จักอาบัตนึกแต่ลำพังอาบัตน่าจะเห็นไปว่าล่วงด้วยไม่มีเจตนา ปรับให้เป็นอาบัติอยู่ข้างแรงไปถ้านึกถึงกฎหมายสําหรับบ้านเมืองเข้าเทียบก็จะเห็นว่าการลงโทษแก่ผู้ทําผิดด้วยไม่มีเจตนาย่อมมีเหมือนกันเพราะทําลงไปแล้วย่อมเป็นการเสียเหมือนกันทางกําหนดรู้อาบัติเป็นสจิตตกะหรืออจิตตกะนั้นคือรวบความและโวหารในสิกขาบทนั่นเองเช่นสำนวนแห่ง โอมัสวาสิขาบทว่าเป็นปาจิตติยะเพราะกล่าวเสียแทงดังนี้รูปความบ่งว่ามีความจงใจจึงเป็นอันกล่าวเสียแทงเช่นนี้เป็นสจิตกะสำนวนแห่งสุราปาณสิขาบทว่าเป็นปาจิตยะเพราะดื่มน้ำเมาคือสุราเมรัยดังนี้ รูปความหาได้บ่งถึงเจตนาไม่เช่นนี้เป็นอจิตกะคำว่าแกล้งหรือรู้อยู่เป็นต้นมีในสิขาบทใดอาบัติเพราะล่วงสิขาบทนั้นเป็นสจิตกะเช่นสำนวนแห่งสิขาบทหนึ่งว่าภิกษุใดแกล้งก่อความรําคาญแก่ภิกษุอื่นด้วยคิดว่าด้วยอุบายนี้ความไม่ผาสุกจกมีแก่เธอ แม้ครู่หนึ่งต้องป้าจิตติยะแห่งอีกสิกขาบทหนึ่งว่าภิกษุใดรู้อยู่ชักชวนแล้วเดินทางกับพวกข้อค้าเกวียนหรือต่างผู้ลักลอบภาษีโดยที่สุดแม้สิ่นหนึ่งระยะบ้านหนึ่งต้องป้าจิตติยะดังนี้เป็นสจิตกะในสิกขาบทใดคำเช่นนั้นไม่มี และรูปความไม่ได้บ่งชัดอาบัตเพราะล่วงสิขาบทนั้นเป็นอจิตกะเช่นสำนวนแห่งสิขาบทต่อข้อหลังนั้นว่าภิกษุใดชักชวนแล้วเดินทางกับมาตุคามคือหญิงชาวบ้านโดยที่สุดแม้สิ้นระยะบ้านหนึ่งต้องป้าจิตติยะดังนี้เป็นอจิตกะสันนิษฐานตามโวหารเช่นนี้ ถ้าถ้อยคำแห่งสิขาบทตกหล่นมาแต่เดิมก็มีจำทรงพลาดไปในระหว่างก็ดีความสันนิษฐานนั้นอาจผิดไปก็ได้นี้เป็นมูลแห่งความฟั่นเฟือของอาบัตอันเป็นอจิตกะและสจิตกะความผิดของคนใช่ว่าจะมีเพราะทำเท่านั้นก็หาไม่บางทีอาจมีเพราะไม่ทำก็ได้เช่นถูกเกณฑ์ไปทับแต่ไม่ไป เช่นนี้ความผิดย่อมมีเหมือนกันข้อนี้ฉันใดอาบัติก็เป็นฉันนั้นต้องเพราะไม่ทำก็มีเช่นเห็นของที่เขาลืมไว้ในที่อยู่ของตอนแล้วไม่เก็บไว้ให้เจ้าของเขาพระอัฏกาถาจารถือเอาอธิบายนี้กล่าวพรรณนาไว้โดยละเอียดแต่เกินต้องการในที่นี้ผู้ใครรู้จงค้นดูในปุพสิกขาวรรณนานั้นเถิด อันหนึ่งอาบัตินั้นเป็นโทษทางโลกคือคนสามัญที่ไม่ใช่พิกษุธรรมเข้าก็เป็นความผิดความเสียเหมือนกันก็มีเช่นทำโจรกรรมแล้ข้ามนุษย์ตลอดลงมาถึงโทษที่เบาเช่นทุบตีกันด่ากันนี้เรียกโลกวัชชะที่เป็นโทษทางพระบัญญัติคือคนสามัญทำเข้าไม่เป็นความผิดเสีย เป็นผิดเฉพาะแก่ภิกษุโดยฐานะละเมิดพระบัญญัติก็มีเช่นขุดดินและฉันอาหารในเวลาวิการเป็นต้นคนชาวบ้านทรรมไม่มีความผิดความเสียนี้เรียกปันนติวัชอะอธิบายนี้ตามความเข้าใจของข้าพเจ้าส่วนในอัธกถาพระมินัยท่านพนานาว่าอาบัติที่เป็นโลกาวัชะนั้น ได้แก่อาบัติที่ต้องในเวลามีจิตเป็นอกุศลท่านยกการดื่มสุราโดยรู้ว่าเป็นสุราเป็นตัวอย่างอาบัติที่เป็นปัณนนิวัตชานั้นได้แก่อาบัติที่ต้องในเวลามีจิตเป็นกุศลถ้าไม่ได้ยกตัวอย่างขึ้นไว้แ้่เพิงเห็นเช่นเก็บดอกไม้เพื่อจะบูชาพระใกล้ครวรดีความก็ลงรอยกัน การใดคนสามัญทําลงแล้วเป็นความผิดความเสียการนั้นเขาคงถือกันว่าเป็นชั่วส่วนการใดคนสามัญทําลงแล้วไม่เป็นความผิดความเสียการนั้นเขาไม่ถือกันว่าชั่วสําหรับคนทั่วไปเป็นแต่ท่านพนาเอาไว้ไม่ชัดเจนเท่านั้นข้าพเจ้าขอแนะนําเพื่อนสหคมิกไว้ว่าอาบัติที่เป็นโลกวัชชะนั้นล่วงเข้าแล้ว ยังความเสียหายให้เกิดมากแม้ทำคืนแล้วความเสียนั้นก็ยังเป็นเหมือนแผลที่ติดอยู่ไม่หายได้ง่ายควรประหยัดให้มากอย่าร่วงง่ายๆฝ่ายอาบัติที่เป็นปัญติวชะนั้นเหล่าใดที่พวกภิกษุยังถือเป็นกวดขันร่วงอาบัตินั้นเข้าแล้วมีความเสียได้เหมือนกันเหล่าใดไม่ได้ถือเป็นจริงจัง เพราะกาลสมัยและประเทศนำให้เป็นอาบัตเหล่านั้นแม้ล่วงเข้าแล้วก็ไม่สู้เป็นอะไรนักไม่ควรจะถือเอาอาบัตเหล่านี้เป็นเครื่องมือสำหรับปวดเคร่งดังเคยได้ยินมาพวกทายกเขานิมน์ภิกษุรูปหนึ่งไปเทศนาบนธรร ม, มาปูบอกยัดนุ่นไว้ภิกษุนั้นไม่นั่งสั่งให้เลิกเสียตามความเห็นของข้าพเจ้า ทำอย่างนั้นไม่เป็นความเรียบร้อยกว่าจะยอมนั่งชั่วคราวยังจะถือก็ควรถือแต่เฉพาะในวัดเพื่อจะรักษาความเรียบร้อยไม่ให้เอะอะได้เคยทรงพระอนุญาตให้ทําได้ก็มีในฝ่ายที่ไม่เคร่งเห็นว่าอาบัตมากหลบไม่ไหวแล้วทอดทุระเสียไม่รู้จักเลือกเว้นดังนี้ก็สพรเพ่าเกินไป ควรรู้จักประพฤติแต่พอดีจึงจะสมแก่ศาสนธรรมที่ว่าเป็นปฏิบัติพอกลา ง, ลางไม่ตกไปฝ่ายกามสุขนลิกานุโยกส่วนข้างหย่อนและในฝ่ายอัตตกิละมะฐานุโยกส่วนข้างตึงเครียดอาการที่จะต้องอาบัตินั้น6กอย่างคืออารัชิตาต้องด้วยไม่ละอายหนึ่ง อญนาตาต้องด้วยไม่รู้หนึ่งกุกุจจะประกตศตาต้องด้วยสงสัยแล้วขืนทำหนึ่งอากัปิเยกัปปิยะสัญญิตาต้องด้วยความสำคัญว่าควรในของไม่ควรหนึ่งกัปปิเยอากับปิยะสัญญิตาต้องด้วยสำคัญว่าไม่ควรในของควรหนึ่งสติสัมโมซา ต้องด้วยลืมสติหนึ่งภิกษุรู้อยู่แล้วและละเมิดพระบัญญัติด้วยใจด้านไม่รู้จักละอายดังนี้ต้องด้วยไม่ละอายภิกษุไม่รู้ว่าทำอย่างนั้นอย่างนั้นมีพระบัญญัติห้ามไว้และทำล่วงพระบัญญัติ ด, ดังนี้ต้องด้วยไม่รู้ภิกษุสงสัยอยู่ว่าทำอย่างนั้นอย่างนั้นผิดพระบัญญัติหรือไม่ แต่ขืนทำด้วยความสะเพร่าเช่นนี้ถ้าการที่ทำนั้นผิดพระบัญญัติก็ต้องอาบัตตามวัตถุถ้าไม่ผิดก็ต้องอาบัตทุกกฎเพราะสงสัยแล้วขืนทำมังสาสัตว์ที่เขาไม่ได้ใช้เป็นอาหารเป็นของต้องห้ามไม่ให้ฉันภิกษุสำคัญว่าควรแล้วและฉันดังนี้ต้องด้วยสำคัญว่าควรในของที่ไม่ควร มังสาสัตว์ที่เขาใช้เป็นอาหารเป็นของควรภิกษุสำคัญว่าเป็นมังสัต้องห้ามแต่คืนฉันดังนี้ต้องด้วยสำคัญว่าไม่ควรในของที่ควรนามพึ่งจัดว่าเป็นเพศสัตว์อย่างหนึ่งถึงมือแล้วเก็บไว้ฉันได้เพียงเจ็ดวันภิกษุลืมไปปล่อยให้ล่วงกําหนดนั้นดังนี้ต้องด้วยลืมสติ หากจะมีคำถามสอดเข้ามาว่าปรับอาบัติแก่ภิกษุผู้ละเมิดพระบัญญัติด้วยไม่ละอายหรือแม้ด้วยสงสัยแล้วขืนทำก็ชอบอยู่ฝ่ายภิกษุผู้ล่วงด้วยไม่รู้ด้วยสำคัญปิดไปด้วยลืมสติควรได้รับปราณีไม่ใช่หรือมีคำแก้ว่าก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่จงลองนึกถึงกฎหมายของบ้านเมืองก่อน ถ้ายกเว้นให้แก่คนไม่รู้คงมีผู้สนใจกฎหมายน้อยถ้ายกเว้นให้แก่คนสำคัญผิดและคนลืมข้อนั้นจะเป็นทางแก้ตัวของคนทําผิดนี้ฉันใดพระวินัยก็ฉันนั้นเมื่อไม่ยกเว้นภิกษุผู้มาใหม่จะได้สนใจรู้พระบัญญัติจะได้ระมัดระวังไม่พลังเผลอมีความรู้และมีสติ ยังเป็นเหตุเจริญในพระศาสนาของเธอทั้งจะได้เป็นเครื่องมือสกัดภิกษุอรชีไม่ให้ได้ช่องแก้ตัวเช่นนี้แหลข้อไม่ควรยกเว้นท่านจึงไม่ยกเว้นข้อที่ควรยกเว้นท่านยกเว้นก็มีเช่นธรรมเนียมนุ่งผ้าห่มผ้าเข้ามาบวชใหม่ยังไม่เคยทำไม่เป็นก็ยังไม่ถูกปรับอาบัต ถ้ายังมุ่งว่าจะสำเนีกเพื่อทำเป็นท่านปรับแต่ผู้เป็นแล้วแต่ทอดทุระเสียอาบัตที่ต้องด้วยอาการหกนี้อย่างได้อย่างหนึ่งเป็นหน้าที่ของภิกษุผู้ต้องจะทำคืนด้วยวิธีนั้นๆตั้งกล่าวแล้วในหนหลังถ้าปิดบังทอดทุระเสียเป็นหน้าที่ของภิกษุอื่นผู้รู้เห็นจะพึงตักเตือนภิกษุนั้นเอง ด้วยเมตตาในเธอหรือถ้าดื้อดึงแม้จะพึงโจดท้วงห้ามการฟังพระปติโมกในถ้ำกลางสง์โดยเห็นแก่พระศาสนาและเป็นหน้าที่ของสง์จะพึงทำตามสมควรแก่พระธรรมวินัยเหตุดังนั้นภิกษุควรปฏิบัติตนเป็นคนซื่อตรงให้สมเป็นที่วางพระหริยไตรยของพระศาสดากิริยา ที่ประพฤติให้เสียความวางใจของท่านย่อมเลวซามไม่สมควรแก่สมณะเลยอนิสงฆ์พระวินัยพระวินัยนั้นภิกษุรักษาดีโดยถูกทางแล้วย่อมได้อานิสงค์คือความไม่ต้องเดือดร้อนใจซึ่งเรียกว่าวิปฏิสารภิกษุผู้ประพฤติย่อหย่อนทางพระวินัยย่อมได้วิปฏิสาร พระธรรมอาจารย์ผิดกฎหมายบ้านเมืองถูกจับคุมและถูกลงโทษบ้างถูกดูหมิ่นบ้างไม่มีคนนับถือจะเข้าหมู่ภิกษุผู้มีศีลก็หวั่นหวาดกลัวจะถูกโจททวงแม้ไม่มีใครว่าอะไรก็ตะเกิจตะขวงใจไปเองที่สุดนึกขึ้นมาถึงตนก็ติเตียนตนเองได้ไม่ได้ปีติปราโมท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 แต่ไม่เป็นสําคัญจริงๆนี้เรียกว่าประพฤติพระวินัยไม่ได้อานิสงส์ดังมุ่งหมายกลับได้ความลําบากเสียอีกและผู้ประพฤติพระวินัยโดยไม่มีสติเช่นนี้มักมีมานะถือตัวว่าตนประพฤติเคร่งครัดดีกว่าผู้อื่นและดูหมิ่นภิกษุอื่นว่าเลวซามนี้เป็นกริยาที่น่าเกลียดน่าติอยู่แล้ว ครั้นจะต้องอยู่ร่วมและสมาคมกับภิกษุอื่นที่ตนเห็นว่าประพฤติบกพร่องในพระวินัยย่อมรังเกียจและจำทำกลับได้ความเดือดร้อนซ้ำอีกฝ่ายภิกษุผู้ประพฤติถูกทางย่อมได้ความแช่มชื่นพระรู้สึกว่าตนประพฤติดีงามไม่ต้องถูกจับกลุมและลงโทษหรือถูกติเตียนมีแต่จะได้ความสรรเสริญ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 เช่นห้ามทำจารกรรมและฆ่า ม, มนุษย์เพื่อป้องกันความหลงโลกเลี้ยงชีพก็มีเช่นห้ามไม่ให้อวดอุตริมนุษธรรมเพื่อป้องกันความดุร้ายก็มีเช่นห้ามไม่ให้ด่ากันตีกันเป็นต้นเพื่อป้องกันความประพฤติเลวทรามก็มีเช่นห้ามพูดปดห้ามพูดสอดเสียดห้ามเสีบสุราเป็นต้น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 ทรงบัญญัติโดยเป็นธรรมเนียมของภิกษุตามความสะดวกบ้างตามนิยมของบรรพชิตบ้างเช่นห้ามไม่ให้ฉันอาหารในเวลาวิการจะฉันของอื่นนอกจากน้ำต้องรับประเคีนก่อนนี้เป็นตัวอย่างแห่งผลที่มุ่งหมายของสิกขาบทนั้ น, น, นอันหนึ่งเึงใกล้ครวนถึงพระบัญญัติที่ทรงตั้งขึ้นแล้วแต่ยังไม่เหมาะด้วยประการใดประการหนึ่ง จึงได้ส่งเพิ่มอนุบัญญัติดัดแปลงซึ่งกล่าวแล้วในหวนหลังว่ายังให้สำเร็จผลมุ่งหมายเดิมหรือกลายเป็นอื่นไปแล้วแต่ยังจะต้องถือไปตามธรรมเนียมของภิกษุอันหนึ่งพึ่งใส่ใจถึงพระบัญญัติปรารบเฉพาะการประเทศอันเป็นไปในสมัยนั้นครั้นการล่วงมานานและนำไปใช้ในประเทศอื่น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 ไม่ต้องได้ความเดือดร้อนเพราะเหตุประพฤติสับเพ่าหรือประพฤติไม่ถูกทางและไม่เกิดมานักความถือตัวและดูหมิ่นผู้อื่นควรมีเมตตาอารีแนะนำเพื่อนสาธมิกที่ยังประพฤติบกพร่องให้ประพฤติบริบูรณ์